สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะ delivery นะครับนําส่งธรรมะดีๆรูปแบบฟังง่ายสนุกสนานถึงบ้านคุณผู้ชมโดยมีผมและพระมหาสปองตาลาบุตโตเป็นผู้ดําเนินรายการากราบสวัสดรครับอาจารย์ครับขออนุญามท่านในการยเชนขออนุญพรท่านผู้ชมทางด้านด้วยครับผมต้องบอกเลยครับตั้งแต่มาทำรายการธรรมะเ e ลิเวอรนั้นผมได้หลักคิดเกี่ยวกวับเรื่องธรรมะไปปฏิบัติในชีวิต หลายเรื่องเลยเกินครับพระอาจารย์ครับโอ้ดีแล้วครับว่าท่านอาจารย์รอวัชรนันทีท่านก็เขียนไว้ท่านบอกว่าชีวิตเราก็เปรียบเหมือนกับแบบฝึกหัดแห่งธรรมหลายคนไม่ค่อยสนใจมาฝึกฝนแบบฝึกหัดนี้ชีวิตก็เลยทิศทางชีวิตเนี่ยดิ่งลงต่ำลงเรื่อยๆอฉะนั้นถ้าคนเราคิดดีพูดดีทดําดีไม่เฉพาะชีวิตเราดีขึ้นนะท่านอาจารย์รสังคมเราประเทศเราก็จะดีขึ้นด้วยคือฟังเราต้องไปทําด้วยทําด้วยที่พระอาจารย์บอกว่า ทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำาี่เป็นพอทาใดก็มีค่าถ้าหมั่นทําี่เป็นพอ่อและยิ่งตอนนี้ประเทศไทยของเรานะครับกำลังรณรงค์เรื่องคุณธรรมนำไทยคือเราไม่ต้องการคนที่เก่งที่สุด อ, อย่างเดียวแต่ถ้าซื่อสัตย์สุจริตประเทศไทยเราอยู่รอดแน่นอนตอนนี้ก็เท่าที่จมาได้บรรยายธรรมหลายๆองค์กรเขาก็เริ่มที่จะ เรียกว่าครือข่ในการที่จะพัฒนาคนอย่างล่าสุดในบริษัทและตระซอยครับเขามีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมของพนักงานเกือบห้าร้อยคนอนอกจากฝ่ายบัญชีฝ่ายการตลาดฝ่ายขายแล้วก็ยังมีการบรรยายนะทเรื่องคุณธรรมในของอั ต, ตมายอยู่ในนั้นด้วยแล้วบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธรรมมกกวาการทํางานจเจตุงย์พรเป็นหัวข้อมาแล้วก็คือธรรมะสุจริตพิชิตงานขายโ อ, อนขายของจะมีธรรมะมีความสุจริตยังไงครับเนี่ยหัวข้อมานั้น ขายของต้องมีธรรมะด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมครับ เพื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจริงต้องเริ่มที่ใจตนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ทาวอนขอนอบนอ้อมในองค์สนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความสุขสวัส ด, ดีจงมั่งคืนมีแด่สาธุชนทุกท่านวันนี้พบครั้งดีใจไม่เอ่ย <Yeah. S 1> ในวันนี้ใครพบ ก, กับพระรู้สึกดีใจบ้างยกมือขึ้นทำไม ก่อนอื่นขอทําความเข้าใจบางคนก็อายุเป็นแหมรุ่นพอ่อรุ่นน้ารุ่นอาต่อมาบางคนก็อมีตําแหน่งสูงสรงใหญ่โตถ้าเกิดเรามีตําแหน่งสูงส่งมากนะเราจะมีปัญหาในการฟังบรรยายนะไม่ว่าใครจะมาบรรยายฉะนั้นอยากให้คนเราตอนนี้ล้อายุก่อนนะถ้าใครอายุตี่สิบห้าล้หมดเลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ดี<แ>โอ้ยมากไปมากไปเอาสิบสี่อีกครั้งก็พอแล้วค<แ><แ>ิดถึงตอนสิีนะจะมีอะไรครั้งแรกก็แล้วแต่แหละ จะมีความรักครั้งแรกเรก็ว่า ก, กันไปตอนนี้เราอายุ14ต้องคลีนแอนเคลียนะคุณโยมนะสมองเรานี่ต้องโล่งเลยไม่มีอะไรเลยนะ่ปกติก็ไม่มีอะไรแล้วเราไม่มีหนักกระพิงนะคุณโยมฉะนั้นแล้ว เ, เราอย่ามีอะไรเด็ดขาดมีตําแหน่งมีฐานะอายุเอาออกไปให้หมดแล้วเราจะทําได้ทุกอย่างไม่อย่างนั้นถ้าเรามีทุกอย่างแล้วมานั่งโอ้โหเป็นแก้วน้ําที่เต็มคุณโยมเทยังไงก็ล้นฉะนั้นแล้วเราตอนนี้อายุ14สบายๆนะคุณโยมเอ้า ถาคนอายุสิี่จะทําได้ทุกอย่างไม่เชื่อพิสูจน์ดูไหนลองยกมือขึ้นสูงๆสองข้างเลยสูงๆคุณโยมสูงๆน้าคนอายุสิบสี่ทำได้หมดนะนะเชื่อพระเรจะลุงนะคุณโยมนะค่อยๆหมุนม Yo, so cool. ือลงมาคุณโยมหมุนมือลงมาอ่าหมุนๆลงหมุนลงมุนลงค่อยๆหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นโอ้หมุนลงหมุนลงแหมหมุนขึ้นโอ้ไม่มีอะไรคุณโยมสวยดีจะมาชอบตัเกือพันคนทําต้องมีสิเออพระให้ทําอะไรต้องมีสาระธรรมะปนอยู่ตลอดไม่ได้นะเอาอีกครั้งหมุนขึ้นหมุนขึ้น ชีวิตเราหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหนื่อยละเกินเมินละเกิ น, หนรระนะเห็นไหมนะี่ธรรมะแล้วเห็นไหมน่ะเออแล้วพูดด้วยรอแล่รอแล่แหมอยากให้หนูกยให้หลานมาเห็นละเกิน <S <S เอาละพิจิตรวันนี้เรามาพบกันมาเจอกันอ่ะเดี๋ยวให้รางวัลก็แล้วกันเป็นซีดีอาตมานะคุณโยมแหมออกซีดีนี่ของเรานี่เป็นชนะุดที่ที่เก้าที่สิบนี่เลยนะคุณโยมนะออกมาแล้วแปดชุดตลอดชีวิตนะอาตมาในฐานะที่แหมสังกัดเราก็สังกัดเล็กๆอยู่สังกัดแกรมมี่นธรรมดา พระบ้นอกบ้นนอกอีสานอีสานอย่างนี้จะไปอยู่ที่ไหนได้นะฮึฮึจริงๆอาตมาก็ไม่ได้เป็นคนอีสานนะก็ไปสมัครก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันก็พยายามที่จะที่กระทรวงคนอีสานระหว่างประเทศก็ตอนแรกก็สงสัยเออเขาไปถามเขาสมัครยังไงก็เราบอกเขอก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ะจริงๆอาตมาพูดอีสานได้ไดว่าคนคนรับใช้แล้วก็คนกับรถที่บ้านเป็นคนอีสาน คนขับรถก็เป็นพ่อตามาเองนะคุณยงนะคนคนับใช้ก็แม่ไอสารเมิดอบ้านนะ่ะไในใครอยู่ฝ่ายขายบางยกมือขึ้นโอ้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยอยู่ฝ่ายขายเอามือลงได้คุณยมจริงๆหลักการขายก็มีหลายอย่างนะพระอาจารย์ประด็นนะเอาแหมลืมแนะนำพระอาจารย์ประเด็ดไปมานั่งตั้งนานนั่งตัวขาวเชะอย่ามาดูถูกพระนะ เขาบอกดินดีคือดินดำฉะนั้นพระดำคือพระดีเขาบอกดำได้ดำดีสีไม่ตกแต่ถ้าขาวสกปรกคบไม่ได้ยังคนดูถูกพระบางคนเมื่อพระอะไรดำจังหรือเมื่อทีชิงงานอาตมาพระอะไรเตี้ยจังโอ้ดูถูกพระคนเราเกิดมารูปธระทนามประทรบคุณโยมรูปธทำนามธทมได้อย่างก็ต้องเสียอย่างถึงแม้พระอาจารย์ประเดชท่านจะเสียความขาวไปแต่อย่างน้อยทาก็ยังได้ความเตี้ยมาเก็ไม่ได้ความดำมาคนละอันแล้วเหมือนอาตมาเสียความขี้เละไป คนบอกได้ความน่าเกลียดประแทนอไอ้คนโค้ดราสีจูบูมมั่นใจเหลือเกินเนาะหลักการขายมีมากมายอาตมาข อ, อนเสนอหลักการเดียวแล้วกันอันดับแรกต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนซื่อสัด ต, ต่อตอนเองซื้อสัตย์ต่อผู้อื่นต่อลูกค้าซื่อสัด ต, ต่อวิชาความรู้บริษัทเรามีจรรยาบันมีหลักการอะไรซื่อสัตย์ต่อสิ่งนั้นหรือจะมาขยายให้ฟังว่าซื่อสัตย์ยังไงแต่อันดับแรกคุณยมพนมมือขึ้นมาก่อนคนเราจะขายได้ขายดีนะต้องมั่นใจก่อนว่านมของเราดีมีคุณค่า เคยดื่มนมแล้วก็ซอยไหมนมแลกกซอยดีไหมต้องดีนะโยมไม่ใช่เราไปมอแต่โอ้โหนมของผมนี่ดีมากสมมติไม่ใชแล้วก็ซอยนะสมมตินมที่อื่นก็แล้วแต่กินแล้วความจําดีเนี่ยของยังง่ายๆเลยคุณแม่ผมอายุเก้าสิบกินแล้วโอ้ยสมองดีมากอันสมองไอโซเม อ, อ, มอร์ไม่มีเลยจําได้ดีมากผมเนี่ยดื่มทุกวันนะความจําดีมากเอาอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแล้วกันว่าผมกินยี่ห้ออะไรเอะผมอาะนมผมบางไว้ไหนเนี่ยลืมทันทีทันใดเลยเขาจะเชื่อเราไหม เออไปบอกว่าเล็กตะซอยดีเราต้องดื่มแล็กตะซอยก่อนมันดีมีประโยชน์ยังไงต้องว่าเขาอัพพนมเมอริรเนเขาเรียกว่าหลักการครองงานอิทธิบาทสี่ธรรมะที่ทำให้เราประสบความสาเร็จในการขายในการใช้ชีวิตในการเรียนหนังสือด้วยตอนนี้เราเน้นการขายก่อนนะเพราะธรรมะสุจริตพิชิตการขายว่าตามชันทะสนใจสนใจใฝ่เรียนรู้วิริยะเพียรสู้เพียรสู้ไม่ถอถอย จิตตะใสใจใสใจไม่เลื่อนลอยวิมังสาเข้าคอยเ้าคอยไม่หลงลืมจำได้หรื อ, อยังจะมาถามพระทมไมเ น, นี่ย เ, เอามือลงได้พี่โยมหนึ่งชั้นทะต้องมีความรักใครพอใจในสิ่งนั้นโยมชอบงานขายไหม ต้องมีวิญญาณของความเป็นนักขายเลยโอ้โหบริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทรองเท้าแล้วกันนะยกตัวอย่างบริษัทอื่นก็แล้วกันส่งคนไปสองคนนะคนหนึ่งเนี่ขยันขันแข็งมีวิสัยทัศน์มีวิชชั่นดีมากอีกคนหนึ่งก็เช้าชามเย็นชามทำไปทำไปตามหน้าที่องั้นแหละเงินเดือนออกก็รับแค่นั้นไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ส่งไปประเทศแถวแถ ว, แ, ถวแอฟริกาโอ้โหไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งุโยมทั้งหมู่บ้านนี่ไม่มีใครใส่รองเท้าสักคนนะคนนั้นท้อแท้ใจเลยโทรเข้าบริษัทเลย อ่าพี่ครับอ่าตอนนี้คงให้ผมกลับได้แล้วครับพี่คนแถวนี้ไม่มีใครใส่รองเท้าสักคนเลยครับคงขายไม่ได้หรอกครับกรากรับผมกลับแล้วอีกคนนึงถูกเข้าบริษัทเหมือนกันไปพร้อมกันนะโอ้โหโทรแบบตื่นเต้นเลยพี่ครับพี่ครับคนที่นี่ไม่มีใครใส่รองเท้าเลยไม่มีรองเท้าให้ใส่เลยฉะนั้นเอามาลนที่ประมาณสองคันรถขายได้แน่นอนเห็นไหมคุณโยงคนสองคนไปด้วยกันอีกคนหนึ่งมองว่าไม่มีรองเท้าใส่ใส่รองเท้าขายไม่ได้แล้วไม่อยากขาย เหมือนกับบริษัทเราสมมุติไปจังหวัดหนึ่งเขาไม่ดื่มนมเลยคุณโยมจะขายหรือไม่ขายโอ้ที่นี lek, ่เขากินแต่น้ำดงน้ำแดงกินแต่เหล้ากินแต่เบียกินแต่อย่างอื่นนมเราคงขายไม่ได้หรอกหรือมียี่ห้ออื่นแล้วโอ้ยี่ห้อเราคงขายไม่ได้หรอกตรงข้ามเลยถ้าไม่มียี่ห้อเราเอาแสดงว่าของเราจะไม่มีต้องมีของเราเหมือนกันคุณโยมเหมือนกับสองคนนี้เลยต้องมีฉันทะรักให้ในการขายต้องมีความรักก่อนเราต้องมีวิญญาณของนักขายเลยคุณโยมสองวิทยา เพี่ยนสู้เพี้ยนสู้ไม่ทถอยสมมติคุณโยมไปเจอคนคนนึงสมมติอาตมานั่งอยู่ที่บ้านเป็นคนธรรมดานะคุณโยมมาถึงปั๊บเสนอขายพี่ครับผมมีนมมาเสนอครับแหมรู้สึกที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงดื่มนมผมไม่ดื่มนมอ๋อพี่ครับแต่ว่านมผมเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารนะครับแหมมีน้ําตาลต่ําด้วยโลโูการ์มากเลยนะครับจะดีต่อสุขภาพผมไม่กินนมแตพี่ครับอันนี้ดีจริงๆเลยครับเอางี้แล้วกันชาติหน้าผมจะซื้อเอ๋อผมขอบคุณมากครับพี่ครับเออแต่แต่พี่ครับแล้วชาติหน้าตอนไหนครับพี่ อพอพอดีอแฟนผมก็บอกว่าเขาจะแต่งงานกับผมชาติหน้าตอนบ่ายผมกลัวเวลามันจะซ้ํากันนะครับพี่ช่วยระบุเวลาสักนิดหนึ่งให้ผมได้ไหมครับชาติหน้าตอนไหนดูคนมันมีวิญ ญ, ญาณเป็นนักขายคุณโยมขณะเขาบอกชาติหน้าแล้วอย่างจะขายอยู่ชาติหน้าตอนไหนระบุมาที่เช้าหรือค่ำจะได้ไม่ตรงกับตอนบ่ายแล้วจะแต่งงานอยู่นี่คือวิริยาพี่โยมขายตัวได้เหรอคนที่เขาจะขายเนี่ยนะมีวิ ญ, ญญาณของนักขายจริงๆต่อไปก็สจิตตะใส่ใจพี่โยม บางคนเนี่ยไม่ค่อยจะใส่ใจคิดไปคิดมาเออเราทํางานกว่าทําไปไม่ได้นสนใจใครไม่ค่อยจะสนใจอะไรเลยเราต้องใส่ใจด้วยในงานของเราเอานี้ยกตัวอย่างคนข้างบ้านอาจจะมาไปซื้อรถยี่ห้อหนึ่งก็แล้วกันแต่งตัวมอซอมากไม่มีใครสนใจเลยยมเดินเข้ามาเขาคงคิดว่าจะมาถามทางหรือว่าจะเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ยพอมีคนนั้นบอกจะมาซื้อรถค่าอุูยผู้จัดการหัวเร็วมากสั่งเลยให้ต้นดูแลหน่อย ก็ดูแลโอโหขายได้เลยร้านกระบากขายได้สบายๆเลยคุณโยมฉะนั้นแล้วนะถ้าใส่ใจลูกค้าใส่ใจในงานเรางานเราพัฒนาไหม พ, พัฒนาข้อสุดท้ายวิมังษาต้องมีการพิจารณาไตรตรองบางคนในชอบห่วงงานนะคุณโยมนะอย่าไปห่วงงานแข่งกันทํางานดีกว่าแย่งกันทํางานคุณโยมคือแข่งกันมันจะพัฒนานะแต่ถ้าแย่งกันจะไม่พัฒนา ท่านที่ผมสังเกตการเดลิเวอรี่ธรรมะของพระอาจารย์สมปองแล้วจะเห็นได้ว่าท่านไม่ได้บรรยายอย่างเดียวนะครับยังมีกิจกรรมประกอบซึ่งทําให้คนฟังได้มีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ครับส่วนมากก็เป็นกิจกรรมสนุกๆเพื่อเปิดใจค น, นะที่จะต้องมีเนื้อหาธรรมะสอดแทรกอยู่ครับเพราะว่าด้วยความสนุกนี้เองเนี่ยจะทำให้คนเพลิดเพลินจนลืมไปว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเสพธรรมะอยู่ฟังธรรมะอยู่แล้วในธรรมะสุจริตพิจิตรงานขายท่านได้ใช้กิจกรรมอะไรประกอบกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมบัวหุบบัวบาน ก็จะสอนในเรื่องของการที่ว่าอย่าไปมัวแต่ต้องจักผิดคนอื่น<ม>คนนั้นขายไปไง<ม>คนนี้ขายไปไง<ม>แต่มาดูที่การทํางานของตัวเราเอง<ม>ทำงานของเราให้เต็มที่<ม>คนอนจะเป็นอย่างไรเดียวมันก็จะดีกันไปท่างองค์กรถ้าเราดีแล้วทุกคนก็ดีหมดเลยบัวหุบบัวบานบัวหุบบัวบานโอ้โหแม่ถือเป็นกลยุทธ์เลยนะครับลองไปดูสิครับว่าจะได้ผลอย่างไรและสนใจกันมากขนาดไหนเชิญชมครับอาตมามีกิจกรรมหนึ่งให้ทําออกทุกท่านยืนขึ้นยืนขึ้นนะอ่า ถึงเราจะไกลกันแต่เราสามาัคคีกันจะดูที่วันแรกตัดสอยก็สามาัคคีกันหรือเปล่าเอามือขวามือซ้ายโทษีมือซ้ายแบ่มือนะคุณโยมแล้ววางอย่างนี้อ่าแบนะมือซ้ายนะแล้วมือขวาคุณโยมจิ้มไปที่มือซ้ายเพื่อนให้จิ้มคอไม่ต้องไปชอนไทยนะคุณโยมนะเอาล่ะสมมตุติเกมเกมนี้ชื่อว่าเกมดอกปัวหุบคุณโยมมีคำว่าหุบเมื่อไหร่ให้คุณโยมพยายามกํำนิ้วเพื่อนให้ได้อ่า ไปถูกจับนิ้วได้อาจจะมาได้ขึ้นบนเวทีนะคุณโยมนะอาจจะให้มาไก่ย่างจะให้มาอะไรก็ว่าไปแหละจับนิ้วเพื่อนไ ด, ได้ในขณะที่นิ้วตัวเองพยายามดึงออกอ่าเอาลองดูหน่อยแล้วกันซีพี่น้องชาวจีนสมัยก่อนไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ใส่รถแล็กระซอยเอาไปขายได้เลยแต่ก่อนนี่ต้องหาต้องอะไรไปเองเข้าป่าพอเข้าป่าไปโอ้ยคุณโยมเดินไปเดินมาป่าดงดิบหลงป่าหาทางออกไม่เจอไม่พอ เดินไปเดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปร้อนก็ไปเจอเอสักสักสักน้ําสักหนึ่งกระน้ําจะตกใจทําไมเนี่ยไปเจออสักน้ำสักหนึ่งในสักน้ําสักนั้นนะคุณโยมนะมันมีดอกดอกดอกดอกดอกบัวอยู่มากมายดอกบัวเฉยๆดอกบัวเฉยๆเออมีทั้งดอกบัวบัวบัวบัวบัวบัวบัวบัวแดง เดี๋วเวลาจะน้อยเอาเลยดีกว่ามีทั้งดอกบัวบัวบัวบัวบัวบัวผื่นมีทั้งดอกบัวบัวบัวบัวบัวหลวงมีทั้งดอกบัวบัวบัวบัวบัวชมพูฟอดเอาเลยแล้วกันเวลาน้อยมีทั้งดอกบัวบัวบัวบัวกระด้งไม่เอาสักทีนอกจากดอกบัวนานาชนิดมีมากมายมันยังมีแมลงชนิดหนึ่งคุณโยมซึ่งตัวเล็กมากไม่สามารถจะมองได้กล้องจุลทรรศเห็นต้องมองด้วยตาเปล่าเท่านั้นมันเล็กยังไงนะเนี่ย ก็คือแมลงผู้แมลงพึ้งพึ้งก็แล้วกันบินมาเหมือนบินมอเตอไซค์หน้าวัดรัวไม่คระไม่มีเงินจ่ายไม่ยอมรับพระบินไปบินมาผ่านไปอีกแล้วบินผ่านไปไปตอมเอาดอกบัวดอกหนึ่งดอกบัวที่เฉยไปตอมเอาดอกบัวเพื่อจะกินน้ําหวานจากเกสรของดอกบัวมันบินไปบินมาบินมาบินไปก็ไป็นคนดอกบัวคนดอกบัวเฉย พ อ, อดอกบัวถูกทนมันต้ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆหักลงไปแหมอีกนิดเดียวนั้นเองแสงอาทิตย์อุถทยัยขึ้นมาในตอนเช้าแผดเผาแผดเผาแผดเผาพอแสงแดดแผดเผาดอกบัวที่ถูกแผดเผามันก็ค่อยๆเหี่ยวลงไปมันเหี่ยวคันผูมเอ้ยมันเหี่ยวดอกนั้นดอกนี้ดอกนี้ดอกนั้นกินไปกินมากินมากินมากินไปดอกบัวมันค่อยๆทุบลงไปไหนใครถูกจับมือได้บ้างยกมือขึ้น สารภาพมาโอ้มีแล้วกุโยมใช้ได้เลยปรบมือหนักให้กับกุโยมด้วยโอ้โหนี่สังคมไทยเรานะคุโยมนะมักจะเป็นอย่างนี้อ้เชิญ น, นั่งลงก่อนขอบคุณหน่อยนึ่งสองซ้ำเอามือลงได้กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ได้อะไรกุโยมโอาคนถูกจับนิ้วแรก ก, การไม่ขึ้นมากิจกรรมเมื่อสักครู่ได้อะไรสมาธิหนูตอบดีมากนอกจากสมาธิได้อะไรอีก คุณจะทได้อะไรสติโอุสุดยอดเลยเขาบอกสติมาปัญญาเกิดสติตะเลอร์จะเกิดปันหาสติดีมีสตางสติห่างก็ตังไม่มีสติมาหมาไม่กัดสติถูกกัดมักจะกัดกับเออสติดีผีจะหลบสติตกตกมักจะพบกับผีเห็นไหมคุณโยมต้องมีสติอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เรานะพยายามจะจับมือคนอื่นนะแล้วคนอื่นเขาก็ดึงมือหลบบางคนมัวแต่จะจับมือคนอื่นแต่ถูกจับนิ้วเพราะอะไร เพราะมัวไปจ้องจับผิดคนอื่นคุณโยมขอจะจับผิดคนอื่นสุดท้ายได้โดนจับนิ้วเลยเห็นไหมคุณโยมเราอยู่ด้วยกันในคุณโยมมีมากมายเลยมีไหมคนในองค์กรเราบริษัทเราชอบจับผิดกันมีไหมมีมีมแหมพูดพวกเราภาพพูดดูดีมากไม่ค่อยมีบางคนเพื่อนใส่เสื้อขาวมาดำจุดเดียวโอ้ยเสื้อดำขาวอีตั้งมากมายไม่มองคุณโยมคนเรามันต้องได้อย่างจะอย่างมีสูงถึงมี ตามมีขาวจึงมีจะยกตัวอย่างอะไรกันบ่อยเหลือเกินมีเก่งจึงมีโ อ, โอ้สลาดโง่มีขี้เกียจจึงมีมันต้องมีข้อเปรียบเทียบถ้าพูดถึงธรรมะในการทำงานนะครับท้าดีผมได้อ่านประวัติของผู้ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการทำงานล้วนแล้วแต่นำหลักธรรมะไปประกอบกับการใช้ชีวิตและการทางานทั้งสิน้น อาจารย์เฉลิมชัยกศิพิพัฒน์นะครัอันนี้อาจามาเนี่ยจะสนใจประวัติท่านมากแล้วล่าสุดก็เพิ่งไปเจอท่านด้วยโอ้โหเจอหน้าอา ม, มานี่มหาสมปองโอ้เสียงไม่มาเลยอย่างอาจารย์เฉลิมชัยในท่านก็เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งครนะแต่ชอบรักงานศิลปะก็เลยทาาเพียนขยันหมั่นเพียนในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนตอนนี้ด้วยความที่โอ้ท่านขยันมีความบากบั่นกดทน ก็ตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันในระดับชาติระดับโลกได้สำหไปบในการวาดภาพของท่านเคยถูกดูถูกเยียดยามไแล้วแต่ท่านก็ฝังฝ่ามีความยันหมั่นเพียรจนมาถึงจุดนี้ได้โอ้โหครับนอกจากความเพียรความอดทนความขยันความมีสติยังมีธรรมะข้ออื่นไหมครับในการจะใช้ประกอบในการทํางานให้ประสบความสำเร็จสำคัญต้องรู้จักจริตตัวเองในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าจริตหกราคาจริตโทสะจริตโมหจริตปัทฐาจริตพุทธจริตแล้วก็วิตกจริต ถ้ารู้จักว่าตัวเองชอบทางไหนถนัดทางไหนเนี่ยก็จะหางานที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างราค่าจริตรักสวยรักงามกว่าอาจจะไปขายดอกม่วงดอกไม้ออโถ่สัจจริตนี่ไปเป็นนักมวยเลยเ อ, อืงงหัวเนี่ยออแต่แต่แผลงรู้จักจัดการกับจริตของตัวเองได้ก็จะทํางานได้ประสบความสมําเร็จเช่นเดียวกันจริตทั้งหกประการนั้นเราจะมีวิธีการจัดการได้ด้วยวิธีใหนไปฟังคําแนะนําจากพระอาจารย์กันได้เลยครับ เอาเรามาดูกันหน่อยเพื่อนเราเป็นคนยังไงบ้างมีจริตกับต้านยังไงบ้างจริตแล้วจริงๆก็แปลว่ า, นนะา ค, ความกับเพื่อนนะดัดจริตนี่คือดัดความกับพื่อนนะกุณโยมเอาลนะเรามาดูที่ว่าจริตของคนเราโคงประกาศมีอะไรบ้างหนึ่งราศรีคนงนี้คือคนที่ชอบรักสวยรักงามโคศรตอ่ะคนันนี้เป็นคนที่มักโหลดโรลดได้โหง่ายถ้าดูทีวีอย่าให้คนโทรศรตไปจับตีหมอดทจ้ากุณโยม มันเปลี่ยนช่องตลอดทุกสีวินาทีเลยเคยไปเที่ยวสามัญสิบหกประเทศไหมเอาขาแต่เอาหาแต่แล้วก็ไปแล้วก็ไปคนโทสัจ ด, ดิตมาโกรวดดูตัวเองเนาะเป็นคนงั้นหรือเปล่าโมหะจดิตดเป็นคนที่โอ้ลุ่มหลงคนโยมถ้าดูละครนี่ก็โอ๊ยนางองค์นา ง, อ ง, นางเอกถูกทารุณกรรมร้อง่งายอ่สามีเป็นไรเป็นยากกันได้ไงเป็นยากกันได้ไงเป็นยากกับนางเอกได้ไงผู้ชายก็อย่าไปว่าผู้หญิงมากเวลาฟุตบอลน่ะเอ๊เข้าไปแล้วเป็นไงนักสกุลโอเว่นได้ไง ชื่อโอบชื่อไมเคิลโอนางตะกุนโอเว่นวยังไงมันก็เหมือนกันนะครับคุณโยมอ้าวศรัทธาจริตอันนี้หมายว่าเป็นคนที่เชื่อโดยไร้เหตุผล ค, คือเชื่อแบบงมงายเกินไปแหมมีศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญาเลยต้องมีปัญญาควบคู่กันไปด้วยพุทิจริตอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าวความคิดคิดมากคิดหลักการเยอะแยะแต่ไม่ยอมลงมือทําสุดท้ายคุณโยมวิตกจริตหมายความว่าเป็นคนคิดมากคิดตรงนั้นคิดตรงนี้ สุดท้ายก็มีปัญหาแต่ทุกจลิตสามารถพัฒนาได้ไหมไเราดัดจลิตให้มันพัฒนาขึ้นดีไหมความประพฤติเราได้ต่อไปนี้มีให้คุณโยมเลือกนะคุณโยมนะเขามีการแก้ด้วยถ้าใครชอบราคะจลิตต็อัสุภาษกรรมาฐานถ้าพระนักปฏิบัติเขาจะมีแบบเาเรียกว่าดอกไม้ดอกไม้คุณธรรมดอกไม้ของพระอรหันนะจะเป็นภาพที่แบบออ้ถ้าโทสจลิตต้องแก้ด้วย เมตตามีความรักต่อกันโมหะจดิตแก้ด้วยอานาปานัสติพิจนาลมหายใจเข้าออกถามคุณโยาหน่อยเวลาเราหายใจเข้าเราเอากา๊าซอะไรเข้าไปออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีประโยชน์จะไปหายใจเข้าเหมือนกับมีความสุขเข้าไปฮะเวลาที่เราทําอะไรปรสบาเร็จรับปริญญาเอาได้โบ น, นัสเยอะอภูมิใจคุณโยมเอาความสุขเอาออกซิเจนเข้าไปคนเราเวลาทําสิ่งไม่ดีหายใจเข้าเราหายใจออกมากกว่ากัน ออเวลาหายใจออกเอากา๊าซอะไรออกมาหามว่าด้ออกใส่์บางคนไปขโมยของเขาวิ่งนี้มา<笑><笑>เห็นไหมคุณโยมเออแต่บางคนไป ม, มีความสุขไป ม, มีความสุขในห้องน้ําได้ไหมบางคนทําความดีมากมีความสุขมันก็เกินไปนะคุณโยมดูสถานที่ด้วยแล้วคนเราเกิดมามีไหมหายใจเข้าอย่างเดียวได้ไหมมีแต่ความสุขความอะไรอย่างเดียวเลยหายใจเข้าไม่หายใจออกสุขสุขสุขสุขละเกิน หรือบางคนมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวมีไหมทุกทุกทุกไม่มีนะคุณโยมศ ร, รัทธาจะติดแก้ด้วยอนุสติรู้จักดลฤกผู้ที่ติดชอบพิจารณาใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน่ <_ t un> ต้องติดแก้ด้วยเพ่งกสิณสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรก็ว่าไปแหละมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นต่อไปนี้ให้คุณโยมเลือกสมมุติว่าเป็นผู้บริหารเป็นพนักงานขายก็แล้วกันนะนักบริหารหรือพนักงานขายนะหนึ่งฉลาดด้วยแล้วก็ ขยันด้วยชอบไหมคนอย่างนี้ชอบไหมใครชอบผู้บริหารแบบนี้ยกมือขึ้นนะใครชอบเพื่อนร่วม ง, งานแบบนี้ยกมือขึ้นแม่ไม่ต้องถามก็ตอบอยู่แล้วชัดเจนฉลาดแต่ขี้เกียจโอดูนะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะพยมอะใครชอบคนฉลาดแต่ขี้เกียจบ้างยกมือขึ้นไม่มีนะไม่มีใครชอบเลยโง่แต่ขยันชอบไหมคนอย่างนี้ชอบไหม เมื่อกี้ไอ้โง่แต่ฉลาดเอางงเลยดนะ้เนี่ยถึงผมจะโง่แต่ผมก็ฉลาดนะเอ๊งงนะถึงผมจะจนเน่ะแต่ผมก็ขี้เลหอีกนะอะไรประมาณนี้แล้วใครจะเอาเราเนี่สุดท้ายโง่แล้วก็ขี้เกียจ ด, ด้วยถ้าคุณโยมทํางานคุณโยมชอบแบบไหนฉลาดทะยานชอบไหมเวลาคุณโยมไปทํางานกับคนที่เขาเอาเปรียบชอบพูดอ่านเห็นแก่ตัวคุณโยมชอบไหมอเอาอย่างนี้ละกันสมมติยกตัวอย่าง สมมตินะเวลาเราอยากทำงานกับบริษัทของเราแสดงว่าบริษัทดีหรือว่าเราดีบริษัทดีถ้าเกิดว่าเราก็ไม่ได้จบสูงหรอกแต่เราขยันขันแข็งบริษัทอยากได้เราแสดงว่าเราดีหรือบริษัทดีเราดีเหมือนกันเราคุณโยมหลายคนเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆบริษัทนั้นก็ไม่ดีบริษัทนี้ก็ไม่ดีขายตรงนั้นก็ไม่ดีขายตรงนี้ก็ไม่ดีไม่ได้ดูที่ตัวเองลืมดูที่ตัวเราเองเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรามีคุณค่า การศึกษามันพัฒนาได้ไม่ต้องศึกษาในห้องเรียนอย่างเดียววันนี้เรามาสัมมนาการช่วงเช้าสัมมนาไปใช่ไหมเห็นไหมเราได้ความรู้มากมายพัฒนาตัวเองขึ้นถ้าเกิดคุณโยมบอกเบื่อเหลือเกินเราทําอยู่แต่คนเดียวยังก็บมแต่กูคนเดียวแท้ย่างไฟยางหน้าถ่ายอยู่แต่คนเดียวแท้ใช่ไหมฮอะไรแต่คนเดียวคนอื่นไม่ช่วยเราเอาอย่างงี้คุณโยมอาตมาถามเลยถ้าเกิดบริษัทดีๆที่เราชอบไหมคุณโยมผู้บริหารดีๆมีน้ําใจให้โบนั้เราเราชอบไหม เพื่อนร่วมงานเราชอบอู้งานไม่ชอบช่วยงานเลยรกินแรงเราจะได้เราชอบไหมน่าตอบพร้อมกันนะคุณโยมข้อสุดท้ายคุณโยมคิดว่าคนอย่างเราเนี่ยนะคุณโยมนะหายากหรือหาง่ายคนอย่างชั้นเนี่ยขยันขันแข็งหายากมากยกมือขึ้นขนา่เริ่มเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองแล้วคนอย่างเราหาที่ไหนก็ได้มีเยอะเลยยกมือขึ้นใครไม่ยกมือยกมือขึ้นชีวิตไม่ยอมลงทุนอะไรเลยคุณโยมเนะ จะพัฒนามันก็ต้องพัฒนาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคุณโยมนะฉะนั้นแล้วคุณค่าของเรามันอยู่ที่ตัวของเราคุณโยมถ้าเรามัวแต่ไปติคนนั้นจับผิดคนนี้ว่าคนนั้นว่าคนนี้แทนที่เราจะเอาหัวมาพิจารณาในการที่เราจะพัฒนาตัวเองทําตัวเราเองให้มีคุณค่าขายเก่งๆทางานเก่งๆเรากับเอาเวลาไปดูคนอื่นแล้วไม่พัฒนาตัวเองเห็นไหมถึงจุดในขอ้อโอกรดออกจบเลยคุณโยม ฉะนั้นคุณโยมต้องยอมรับว่าเราจนยอมรับว่าเราอาจจะไม่เก่งเท่าเขาแต่เราไม่ยอมแพ้เขาเรียกว่าแพ้ได้แต่ไม่ยอมเหมือนกับคุณบัณฑิตอึ้งนังสีบอกเอาไว้อย่าหวังเลยว่าโลกนี้จะมีความยุติธรรมเข้าใจไหมคุณโยมอย่าไปมัวเสียเวลาถามว่าทําไมทําไมไม่ยุติธรรมกับเราทําไมเราไม่เท่าคนนั้นคนนี้เอาเวลาที่จะไปถามว่าทําไมที่เสียเวลาตีโปยตีพายเอามาพัฒนาตัวเองดีกว่าอย่าไปมองคนอื่นว่าเอ๊ะทำไมเขาได้มากกว่าเรา ถามตัวเองว่าเราขยันเท่าเขาหรื อ, อยังเราเอาใจใส่ลูกค้าเราเอาใจใส่งานของเราเพียงพอหรื อ, อยังสาธุดัวนางต้อนรับพระอาจารย์พระเดชจิสโรรูปนี้ไม่ธรรมดาลักษณะที่โดดเด่นท่านมีรอยยิ้มที่บาดตายิ้มไม่ยอมสิมีคารุมวาจาบาจิตเพียงท่านยิ้มสักนิดโลกจะเป็นพิษขึ้นเยอะเลยขยันนะทั้งบรรยายทั้งสอนนี่เพิ่งจบปริญญาตรีรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาบัดบาท คอนซูินคอนซูรินรบ้านโยกกาจพนมลนไม่ธรรมดานะคุณโยมอาสาตุลาการต้อนรับอาราธานาท่านหน่อยหนึ่งสองสามโอกาท่านพระจารย์พระมหาสมปองถึงเป็ น, น, นหัวหน้าทีมงานธรรมเตลือดีเจริญพรคุณโยมมามือลงได้เขาบอกว่าหลักที่จะนําเข้าสู่ธุรกิจที่มีความจเจริญรุ่งเรืองได้จะต้องหนึ่งมีการคลองตนคล อ, องคนและก็คลองงานเราทํำยังไงถึงจะให้ครองตนได้ การลองจนได้ง่ายเขาบอกว่านักธุรกิจการขายเปรียบเหมือนพาสเวลาพาสจะบินสถาบันจะต้องมีวิสัยทัศน์ว่ามีวิชั่นที่จะออกไปบินสถาบานเขาบอกว่าเวลาที่ฝนตกใบปลอยห้ามเอาเครื่องออกบินไปนอันขาดคือบินสถาบันนั่นเองเครื่องบินใช่กับเครื่องบินครับให้มันหลูดให้มันหลุด<อ>เอาเครื่องออกบินถ้าน่านฟ้าฝนตกรบปลอยน่านฟ้าไม่เปิดจะประสบอุบัติเหตุนในการบินได้ <im itation> เดี๋ยวลื่นใช่เดี๋ยวลื่นวันนึงเราไม่เชื่อครับปวดใหม่ๆเราขยันแม้เอาเครื่องออกเลยขนาดเขาบอกว่ากรุงเทพ่ที่ว่ากอทอมอเป็นอักษรย่อของเมืองน้ำเม็นขุดขุดเจาะเจะตรงไหนหมาะเหมะขุณไปเจาะไปขุดโกงกินกัเป็นจุดๆสมมุติชลุศว่าการขุดการเจาะเจาะผู้ที่เจาะเสร็จแล้วพอเอาที่โคลนมาวางไว้ข้ า, างทุ่บานท่าก็เดินทบานตอนเช้าเดินไปแบบสบายเดินเห็นแล้วที่เห็นแค่โคนเราจะเหยียบไหมเราไม่เหยียบเราก็เดินลงปรากฏว่าลงไม่พ้นเหยียบที่คนลื่นปลื้มเลย ตูนกระแทบพื้นบาดสโมซ็อกเกลียวสามรอบ <_ an> พอเราเสร็จแล้วมองซ้ายมองขวาไม่มีใครหยิบฟ้าบาทเดินไป ต, ต่อตรวเพื่อนที่คนยิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าตีห้าครึงมืดๆอยู่เดินไปขากลับมาพอขากลับมามาเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักหกสิบกว่านี่หมดนี่หมดเราแล้วพี่นี่หมดคาดจะใส่บาทแล้วก็เบรกึ้ยผู้หญิงคนนั้นก็ บ, บอกว่าหุยปรอยใคมกุรู้หน้าโง่ลื่นเียวเช้าเชียวแหมเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่วันนี้เอง ขณะที่เรากําลังจะเปิดฟ้าบาดรกำลังจะใส่บาตรปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นตักเข้าสบา่บัตรเอาไม้เท้าไปคําพืนไว้ตรงที่โคดใกล้ๆกันลื่ขณะที่ตักข้าสบาัตพักไม้เท้ามันลื่นบาตรทับพีทิมบาตพักร่วงเพล้เลยแกโอทานขึ้นอย่างดังว่าคุณพระช่วยเราก็คิดในใจพระก็ช่วยไม่ได้พระก็ลื่นอยู่นี้เมื่อเช้าเนี่ยจะให้พระช่วยได้อย่างไร แม่จะให้พระช่วยพระช่วยไม่ได้พระเจ้าว่าอัตตาเยตโรนาอัตตาเยตโรนาตนแลมไม่พึ่งแห่งตนแลมที่พึ่งแหง่ตแห ง, แหงตนเขาบอกว่าการที่จะเข้าสู่การขายได้จะต้องมีการดูตัวตนเองก่อนตอนเองเป็นสิ่งที่สําคัญจนจะต้องประคับประคองตัวเองให้ดีเขาบอกว่าพระก็เหมือนกับคุณโยม น, นะจะต้องมีวิสัยทัศนใ์ในการมองอย่างเช่นเวลาบินลำบาก ท, ที่ไหนก็ตามจะต้องมองเอ๊ะบางทีก็มองดูตอนนั้นว่า ม, มีโยมหญิงคนหนึ่งการจะใส่บาตร หลวี้นิมนเราก็หยุดปุ๊บใส่แตงโมเลยแตงโมลูกใหญ่เท่าบาทเราก็หยุดรักเปิดบานปุ๊บผู้หญิงคนนั้นใส่แตงโมปุ๊บเต็มบาทเลยปรากฏว่าลงไม่ได้เพื่อที่เป็นการย้ํำยอดขายทุกแตงโมลงบาททั่วหมดบริการหลังการขายบริการหลังการขายดีมากปรากฏว่าพระเอาแตงโมออกจากบาทไม่ได้เมื่อจากสินค้ามันเยอะเกินไปพอตีบอกก็เลื่นปุ๊บเลื่นปุ๊บเลื่นปึ๊บปรากฏว่ากลับมาที่วัด เอามีดเฉาะแตงโมแล้วก็ทอช้อนตัดฉันในบานโ อ, โอนนนนนน้โหฉันได้แตงได้แตงโมแค่ลูกเดียวฉันก็เดียวก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณโยมก็บอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับแรกเลยเราจะต้องมีสัจดิสศรีักดิเป็นสิ่งที่สําคัญดึงสักจินน์ศรตนันเองก่อนเลยทําอย่างไรที่จะให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวเรามีความจริงใจจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับตัวเองก่อนอันดับแรกทํำยังไงที่จะเาให้เขาได้เห็นความเชื่อมั่นของเราอะ มีความจริงใจใฝ่ที่จะนำเสนอสิ่งที่ ด, ดีเราว่าของเราดีที่สุดเราจะต้องออกมวลังกายไหว้ทานแลกตาสอยก็เราแล้ก็ทำให้เ่ากลายเปนบึกบกบึกบ ก, กคนอื่นแล้วจะเห็นความเชื่อมัน่นนี่คือความจริงใจอันดับที่สองก็คือหนึ่งสัจจะสองธรรมะ ค, ความขคงใจต่อไปนี่มีขันติมีความอดทนเราจะต้องอดทนให้เต็มที่อะไรที่มากระทบกับความรู้สึกเราอดทนให้ได้เขาบอกว่าอดทนเต็มที่ได้ดีทุกคน และสุดท้ายก็คือว่ามีจะท้าความเสียสละพยายามที่จะเสียสละอย่าสละความสุขของเราบ้างบางครั้งที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่ามองเฉพาะความสําเร็จของเราเพียงคนเดียวบริษัทมั่นคงเรามั่นคงไหมเรามั่นคงไหมบริษัทมั่นคงเรามั่นคงถ้าบริษัทไม่มั่นคงเราจะมั่นคงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สําคัญเขาบอกว่าการขายเปียกเสมือนการเล่นกีฬา สมมือนนักฟุตบอลนักฟุตบอลจะทําอย่างไรที่จะให้เจาะแผงหลังคนอื่นให้ได้เพื่อที่จะยิงประตูการทํางานก็เหมือนการส่งทิ่งส่งไม้ต่อกันชิ่งตามช่องที่จะทะลุช่องและก็ไปยิงประตูคนอื่นให้ได้เพื่อที่จะเจาะตลาดชนะคู่แข่งให้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราอันนี้ก็คือเป็นหลักของการคลองตนประโยศต่อไปนี้ก็เป็นการคลองคนบ้างเวลาที่เราคลองคนนี้เราจะต้องมีความเข้มแข็งระดับที่แรกก็บอกว่าจะต้องมีหนึ่งแหะ มีความมีการให้ก่อนเขาบอกว่าให้ที่ยิ่งใหญ่คือให้อภัยให้อภัยเขาบอกว่าขอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือขอโทษขอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าเป็นการขอโทษที่จะควบคุมตัวเองแง่ที่สองมีปีญญาวาจากล่าววาจาที่น่ารักกร่าววาจาที่น่าฟังเพราะฉะนั้นคุณโยมบอกว่าความสุขและความสุจริตที่ชิดการขายนี่สามารถที่จะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเลย คลองตนให้ได้เมื่อคลองตนได้แล้วก็คลองคนไห้ได้มีความจริงใจมีความสุขกับเขาความสุขกับงานเขาตัวเองและมีความเพียรพยายามที่จะต่อสู้เข้มแข็งต่อสู้กับงานนั้นแค่นี้เราก็สามารถที่จะพิชิตงานขายได้ด้วยตัวเราเองและความสุขทั้งบริษัทของเราบริษัทเรกตัวทอยเราก็จะมีความสุขและมีความสุงไปถึงครอบครัวที่บ้านของเราด้วย คุณชมยังอยู่ในรายการธรรมะเ e ลิเวอรนะครับส่งธรรมะโดยตรงถึงบ้านด้วยรูปแบบการฟังง่ายๆและสะดวกสนานครับในการบรรยายธรรมะของพระนนอาจารย์สมพรนั้นจะมีรูปแบบในการสอดแทรกธรรมะด้วยการใช้สื่อตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป็นโฆษณาในการบรรยายครั้งนี้พระอาจารย์ได้สอดแทรกวิธีไหนเข้าไปครับกำลังไกลตัววันนี้เลือกเอาเป็นภาพยนตร์โฆษณาโฆษณาทุกวันนี้มีข้อคิดเกินใจต่างๆมากมาย แต่จะมาจะไม่ให้ได้ดูแบบภาพที่สวยซึ้งๆเท่านั้น mm hmm. แต่จะต้องมีธรรมะอะไรเข้าไปในใจเขาเพื่อที่เขาจะเอาไปปรับในชีวิตเขาได้คือ mm hmm. ดูหนังดูละครแดูย้อนดูตัวดูโฆษณาแล้วก็ต้องได้คอคิดเพราะยังไงก็ต้องดูอื mm hmm. คนต้องพาไป็นโฆษณาเข้าไปโอ้ oh, ครั้งนี้มีโฆษณาเลยครับคุณ ผ, ผู้ชมครับลองไปดูใช่ว่าพอดูโฆษณาแล้วสามารถจะบับปรับใช้กับธรรมะได้อย่างไรบ้างเชิญ mm hmm. ชมครับชีวิตคุณโยมผ่านมาเท่าไหร่รู้ไหม mm hmm. ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่รู้ไหมคุณโยมสิบสี่ นี้เอาจริงเลยใช่ไหมเนี่ยแหมอ่ะสิบสี่ก็สิบสี่เหลือเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้คนโยมอาจจะร้อยปีแปดสิบปีหกสิบปีเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าชีวิตเราเหลือเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะไปอิจฉาริษยากันให้เสียเวลาทาไมอย่าไปอู้งานอย่าไปเกียดติคลานให้เสียเวลาบางคนคิดว่า อ, อู้งานเว้ยเราฉลาดเรากินแรงนายอาตมาทุกคนไม่ฉลาดนะคนขยันต่างหากที่ฉลาดาอย่างที่บอกถ้าบริษัทสุดท้ายจะเลือกคนเขาจะเอาคนขยนันที่คนขนคนี้เกียจไว้ เห็นไหมคุณโยมเอาคนขยันไว้แต่แปลกนะคุณโยมบางทีบางคนเขารู้จักวันตายตัวเองนะแสงดาวนี่แสงดาวจญิงสาวที่ควรจะมีความสุขที่สุดป่วยเป็นโรคโูกลคีเมีรายระยะสุดท้ายหมอบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่ห0สิวันเท่านั้นคุณหมอเนี่ยรู้ชีวิตคนอื่นดีเนาะ <laughs> บากคนบอกคณเป็นมะเร็งนะอยู่ที่อีกประมาณห้บบาสัปดาห์ ออกกำลังกายทานอาหารมีประโยชน์โอ้ยอยู่ได้อีกสิบปีสบายๆในขณะที่คุณหมอที่วินิจฉัยโรคตายตั้งแต่สองเดือนแรกก็<ม>แกขับรถอันตรายไงไม่เป็นโรคแกวได้ขับสเต็มเหนียวเลยไปดื่มล่งดื่ ม, มเหล้าเมาล้ับเลยหมายถึเธอรู้เธอบอกเลิกกับศรัทธาชายหนุ่มที่เธอรักไปเธอไปออกไปพล้วปเราจะมานั่งอยู่ทำไมเนีย่ยคุณโยม เอาไล่เราแน่ๆนะเฮ้ยพอสกปรกแล้วพอลยนะใจเย็นลุกแสงดาวไม่ถึงครื่องชั่วโมงก็ออกแล้วหลกใจเย็นลูกถ้าเป็นคนอื่นคงจะไปดื่มเหล้าไปเที่ยวได้โอกาสภรรยาด่าแฟนด่าแต่ศรัทธาไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าศรัทธาเขาเคยดูรายการธรรมะในรั้วเรียดก็เลยได้ข้อคิดนะในอย่างที่ชีวิตต้องเผชิญความยากลำบากสิ่งที่คนเราต้องการคืออะไรศรัทธาเลยนาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระพุทธรูปนะพี่โยม ซึ่งก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรแต่ก็ประมาณหลวงพ่อบอกว่าใจเย็นๆศรัทธาคนจริงใจต้องนิ่งดื่มนมดมนมอย่าไปดื่มเหล้าแล้วจะคิดออกศรัทธาก็นิ่งๆคิดออกเอาความทุกข์ไปทิ้งลงแม่น้ำเลยคิดดีนะศรัทธาเนี่ยนะอมีสมาธิปัญญาก็เกิดชายหนุ่มกลับมาหาเธออีกครั้งเพื่อขอยืมตังค์เธอเอาไปลงทุนคุโยม เออมีกำไรก็ไปรักษาตัวเธอมาร่วมทุนกับแล้วก็์อยก็ไดไ้หนึ่งเขามีรวบทุนไว้อย่างี้แต่ไม่ได้ยืมเปล่านะยืมสามแสนแลกกับแหวนวงเดียวไม่ใช่และและขอเธอแต่งงานและขอเธอแต่งงานเห็นไ ม, มุ่ณโยงแค่คนเรามีธรรมะนะมีข้อคิดผู้หญิงคนไหนจะไม่แต่งงานนะคุณโยมนะหาผู้ชายให้ได้นิสัยอย่างนี้เลยดีๆอย่างนี้เลย หน้าตาไม่อย่างนี้ไม่เป็นไรจรินิสัยต้องแบบนี้จิตใจเขาดีคุณผูมแสดงว่าเขารักที่หน้าตาไหมห<ม> <c oughs> น้าจะกระเพื่อยานว่าแต่หอเแจวแต่ก็ได้คุณผูมนะไม่รักที่หน้าตาเขารักที่ไหนจิตใจคุณผูมคนเรานิสัยต้องมาก่อนเป็นพนักงานขายกขใจต้องมาก่อนใจเท่านั้นี่คคอยยู เ, ยเมีประโยคนึงอาตมาชอบมากฟังแล้วกี้ตโดนใจเลยคุณผูมลองฟังดูนะคุณผู้มนะแต่นี้คือความรักและการดูแล ที่ใครหลายคนมองหามาช่วยชีวิตไม่ใช่หรอือนี่ชอบคํานี้มากเลยไม่ใช่หรอือ <laughs> ฟังแล้วโดนใจไปโยมถ้าไม่ใช่แล้วไ ม, ไม่โดนใจเพราะไม่ใช่รู้ <laughs> โอ้โหชอบมากอยากจะฟังอีกรอบเกรงใจเดี๋ยวต่อไปจะเข้าสู่ช่วงคาถามแล้วฟังมาแต่เกือบสองชั่วโมงแล้วเนี่ย <laughs> เวลาที่เหลืออยู่คุณโยมเราไม่รู้ว่าเราชีวิตเราเหลืออยู่กี่ปีตอไนี้เดินออกจากห้องประชุมอย่างนี้ไปนะคุณโยมนะกลับไปทำงานด้วยความมั่นคงมั่นใจมีความสุขมาดูสาเหตุการตายที่แท้จริงคุณโยมในตำรวจสืบสวนสอบสวนเพื่อจะส่งสำนวน ม, มาใหา้ตมนะแล้วก็เพื่อจะชี้แจงให้กับคุณโยมได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วแสงดาวก็ตายกอ็อะไร นี่คือสาเหตุการตายที่แท้จริงนะคุณโยมนะกระชาปอดแน่นเกินไปขาดอากาศหายใจตายบ่มมีออกซิเจนไปเลียงสมองคลิบัมีลิบเวลหลับประพัฒนาไม่ใช่แนะคุณโยมดูโฆษณาชิ้นี้คุณโยมไม่อู้งานละไม่ขี้เกียจไม่กิจช้าใจละไม่ด่าไม่ว่ากันไม่ทำร้ายใครชีวิตที่เหลืออยู่ทํา ง, งานเต็มที่มีความสุขเต็มที่หายมันอยู่ที่ใจเรา นี่เวอร์ชั่นแรกก็สยมไปดูเวอร์ชั่น2ของแสงดาวสวยนิดนึงสวยนิดนึงที่แล้วคีเรย์หมดเลยมีความสุขที่สุดมีความสุขเป็นนางเอกที่แสดงมิวสิกดีมากเกิดเจ้าไปฝากแตมมี่บ้างปวดไปโรคโรคลูกคีเมียระยะสุดท้ายจะ <c oughs> มีชีวิตยอยู่ได้แค่60วันเท่านั้นแตมาว่ามันตายเ ม, มื่อกี้แล้วสยม รู้จักอาการไอไม่น่ารอดโอ้ไม่ถึง6กสวันแล้ววันแรกที่เธอรู้เธอบอกเลิกกับศรัทธาชายหนุ่มที่เธอรักทำไมคุณทำกับแจ่อย่างนี้เแย่ไปกว่ามีดัวคุณโอ้ยปากน่าเกลียดมากเลยแต่ก็ได้อารมณ์ไงออกไปเธอจะไปเธอจะไปแล้เดี๋ยวจะไปแล้ว อั น, นี้ก็น่าตาจริงจังอเอนน้จริงจังเลขนาดนั้นการที่ชีวิตต้องเผชิญกายากลบากสิ่งที่คนเราต้องการคืออะไรสวยนิดนึงก่อนตายขอสวยนิดนึงขอเล็กลออกระซอยสักกองนึงตายสใจแล้ว s, <S, <S ใครจะไปทาอะไรแกเนี่ยห้ามจัง โอ้โแต่แปว่าลูกชีเมียขึ้นสมองแล้วล่ะมันใกล้จะตายแล้วล่ะเอามานี่ละคังมันก็เอารววไม่รู้ว่าเราหายใจอยู่การบอกเรารู้แล้ว ว่าเริ่มปัญญาอ่อนแล้ว น, นั่นเองนะชอบดื่มเหล้ามากไม่ดื่มนม oh <my> แล้วก็ซอยอย่างเงี้ยนะ oh <my> แม่บ้าแทนเป็นคุณเออแทนเท่เลยต้องอละพอละแม่เศร้าเสียชีวิตคนเรา็าผ่าดสติก็จะเป็นงี mm ้ hmm. อ่ะชิ้นสุดท้ายคุณโยมอันนี้ดีมาก mm hmm. เวลาที่เราเห็นอะไรไม่ชอบใจเราเบื่อไม่คุณโยม ดีใจเรามีตาให้มองเห็นทำงานเมื่อยมือแล้วเกิดโอ้ยมีแต่กูแบกกูเดียวใจเนาะดีใจมีมือให้เมื่อยเดินไปเดินมาเมื่อยขาคนอื่นไม่เห็นทำเลยดีใจมีขาให้เมื่อยขัไปขับมารถติดดีใจมีรถติดเมื่อยเบื่อขนาดีใจเรามีงานให้ทำหลายคนจะากจะแตกตุ้แบบนี้อยากจะทำงานอะไราแต่คขาไม่มโอกาสอยู่ก็วนนี้คุณพระนรินทอแท้กับชีวิตเรื่องราวของพี่หนูหาช่วยกันได้ค่ะ นี่คืพี่ต้นเขาขาขาตั้งแต่สองขวบขาตั้งแต่สองวบเราไม่หาไห่ได้ไหเราจะ้อาครับเกิดมามีขาขวาข้างเดียวขาเป็นขาตายก็ได้เพื่อทำไมแตอยางน้อยก็มีก่อนสโชคดีที่ร่อเรานะขาขามี้าอยู่ดีไม่นานพอเขชีวิตคุณพอก็จากไปอีกคุณโยมเลย พ่อตายแม่จากไปแล้วสบายไหมทางานหนักเหมือนเดิมปีนมะพร้าวได้อตมาสองขางปีนไม่เป็นเลยนะใครมันอตมาปีนมะพร้าวไม่เป็นยกมือขึ้นโอ้ต้องไปสมุยเหมือนอาจารย์พรด็ดนั่นเนี่ยไปบรรยายก็ไม่ได้ว่าอะไรทําไมต้องเอาหน้าส ม, มุยกลับมาด้วย น, นั่นเลยนแหมมีการลิซึ่ลิซึ่ ง, งไม่เป็นไรครับดูหางเงินตูบาบัตรมาสง่งจะนี่เรียนอีกดูสิเนี่ยลําบากเหน็ดเหนื่อยนะแต่เขาก็เล่นสปอร์ตเก่งนะคุณโยมนะ สังเกต น, นะไม่มีใครกล้าเข้าเลยเข้ามาก็ขาหักเลยคุณโยมเออไม่รู้แหละเขามีกําลังใจเล่นกีฬาได้เรียนได้ทํางานาได้ชีวิตอยู่ได้เลิ ก, กําลังใจครับนะถ้ามีกําลังใจจากคนที่เราล้ำเราก็สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างครับเรียนนายกโยมขอให้เรามีกําลังใจอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นโอกาสมันอยู่ที่ใจพอเราใจเปิดแล้วโอกาสมันก็จะเปิดเช่นเดียวกันสุดท้ายอย่าลืมนะกโยม ให้ความสุขแก่คนอื่นให้ความสุขแก่ลูกค้าแก่เพื่อนร่วม ง, งานอย่าลืมให้ความสุขกับตัวเองและครอบครัวของเราด้วยอัพนนเมอร์เกวันนี้สิ่งละอันพันละน้อยที่เราได้รับจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ว่าธรรมะใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำธรรมะใดก็มีค่าถ้ามันทำรู้ธรรมะมากมายแต่ไม่นาไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร รู้ธรรมะเพียงเล็กน้อยแต่นำไปปฏิบัติก็เกิดประโยชน์มากมายปุญนเจปุริโสกยิรากะยิราเถนังคุณณะปุณังตัมหิฉันทงังกะยิราถะสุโคปุญญสะอุจโยหากเราจะทำบุญทำความดีแล้วไซพึงทำความดีทำบุญนั้นบ่อยๆเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ฉะนั้นขอให้เราทำความดีทุกวันตั้งใจทุกวันซื่อสัต ท, ทุกวันขยันทุกวัน ชีวิตเราจะประสบความสําเร็จผ่านมาเท่าไหร่เรารู้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้ขยันขันแข็งทําการทํางานให้ประเทศชาติเราจเจริญทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสร่ํารวยด้วยความสุขร่ำรวยด้วยความดีร่ํารวยด้วยเงินทองคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงผ่านสําเร็จผ่านสำเร็จผ่านสําเร็ จ, รจแก่ทุกท่านทุกคนเทินเจริญทำ ุผู้ชมครับวันนี้ท่านคุณผู้ชมและผมก็ได้ฟังธรรมะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราได้รับทั้งหลักคิดวิธีการในการไปปรับใช้กับการดาเนินชีวิตและการทำงานมากมายเลยทีเดียวนะครับท้องขอกราบนมัสการขอพระคุณพระมหาสุพพะตาลปัพุโตไวนทีด้วยครับกราบมัสการครับท่านครับดี สำหรับท่านที่ชื่นชอบการบรรยายธรรมะของพระมหาสมปองนะครับสามารถหาซื้อ BCD ได้นะครับที่เ m a มจินทุกสาขา BDS หรือ CS BOOK ก็ได้นะครับหรือจะสั่งซื้อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้วัดพระบาทน้ำพุเพื่อจะเป็นการสร้างกุศลให้กับคนที่ป่วยติดเชื้อเอสที่นั่นนะครับเป็นการทาบุญร่วมกันด้วย และเมื่อกลางเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมานี้นะครับเราได้มอบรายได้ส่วนแรก8แสนบาทนะครับให้หลวงพ่ออารมณ์กฎเจ้าวาดวัดพระบาทน้าพูไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเจตถาทุกท่านไว้นัดทีนี้ได้ครับผมและพระมหาสมบองต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการธรรมะ d ิ l i v e r รการส่งธรรมะในรูปแบบใหม่สนุกสนานและเข้าใจง่ายส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมสวัสดีครับไม่น่าเบื่อครับ มีทัศนคติสอนใจหลายอย่างครับชอบตรงที่เป็นกิจกรรมเหมือนเราเล่นเกมเลยบัวหุบบบานอย่างนี้แหละครับเหมือนจะสอนว่าเราอย่าไปยึดติดที่จะอเอาเอ า, เอาของเขาอย่างเดียวอย่างผมเป็นคนโมหะจริตนะฮะผมก็ต้องเอ า, อาจิตใจไปข่มเพื่อจะปรับปรุงตัวของเราเองให้ให้เข้ากับลูกน้องได้จะดิทปประการนะคะโดยเฉพาะโพต์ นะคะคือเป็นคนที่โกรธง่ายได้ธรรมะข้อนี้คือไปให้เวลาอยึดจิตใจว่าเอถ้าทําอย่างนี้นะมันจะรู้สึกไม่ดีซึ่งกับธรรมะของอาจารย์ข้อหนึ่งนะฮะที่ว่าคนเรารู้รู้ระยะเวลาของเราที่ผ่านมาแต่เราไม่รู้ระยะเวลาที่จะเหลือนะฮะซึ่งเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเราต้องมีสติของปัจฉญะในการดํารงชีวิต ผมคิดว่าในโอกาสข้างหน้านี้ผมจะนำตรงนี้มาเตือนสติเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้การดำารงชีวิตของผมไม่ดำาริในด้วยความประมาทแล้วมีมีมีความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตต่อไปอีกในอนาคต